ที่ไหนเวลาใดนะก็ปฏิบัติทำได้รวมทั้งเวลาอาหารด้วยนะไม่ใช่แค่ระหว่างที่เรารอเราก็เจริญสติไปเท่านั้นนะขณะที่กำลังกินอยู่ก็เจริญสติได้สังเกตมปกติเวลาเรากินอาหารเนี่ยปากก็เคี้ยวแต่ว่าใจรอยใจรอยนนคิดไปโน่ทิดไป น, นี่อันนี้เราว่กกินยังไม่มีสติแล้วนะ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 เพิเ่เติมนะอยากกินอีกอยากาได้อีกนะอันนี้เรียกว่าีิงแค่รู้ว่าใจมันชอบใจอยากนะอันนี้ก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกันอันนี้เรารู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะเป็นการเจริญสติได้เวลากินอาหารมําเท็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 การปฏิบัติธรรมมันทำได้ตลอดเวลาทุกที่นะแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรปฏิบัติเพื่อให้เกิดสตินะเพื่อเกิดความอดทนเพื่อเกิดความเข้าใจพยายามนะหรือเพื่อเกิดความเมตาตากรุณาเวลาอาหารนี่ยังเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้น้อมใจใหเห็นค่าของอาหารขอบคุณทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ นะจะรวมไปถึงสืชพันธัญญาหารด้วยที่ทำให้เราได้มีอาหารกินเดีย๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยกินด้วยสำนึกในความรู้ค่ารู้คุณของอาหารเท่าไหร่เพราะเราคิดแต่จะกินเื่ออร่อยอย่างเดียวนะหรือกินเพื่อความสนุสนานนะเดี๋ยวนี้เราจะเป็นหน้าที่ต้อง น้อมใจให้เห็นคุณค่าของอาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การกินทิ้งกินคว้างมีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากมีตัวเลขที่เห็นและตกใจเนกันก็บอกว่าหนึ่งในสามของอาหารที่เราซื้อนะหนึ่งในสามของอาหารที่เราซื้อเนี่ยเราทิ้งไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะซื้อมาสามมาทิ้งไปนหนึ่งนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้น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 แต่ว่าทำเยอะไปกินไม่หมดไอ้ที่เหลือนี่ก็ต้องทิ้งแค่นี้นี่ก็ศูญย์หายไปเยอะแล้วเประมาณว่าไอ้ที่ <c oughs> ไอแบบเนี้ยนะที่ผนทั้งโลกเนี่ยนะซื้อแล้วไม่ได้เอามาปรุงเป็นอาหารหรือปรุงแล้วไม่ได้กินนี่ค ท, ทั้งโลกมีประมาณสามร้อยล้านตันสามล้านตันนี้เลี้ยงคนอฟริกาได้ทั้งทวีปเลยคนอเริกานี่หิวโหย ไม่มีอาหารกินแต่ว่าอีกส่วนหอื่นของโลกนี่กับกินทิ้งกินขว้างอาหารที่เฉพาะอาหารที่ทิ้งนี่สามารถไปเลี้ยงคนได้900ล้านคนตลอดปีนะไ อ, อ้300ล้านะ300ล้านต่ำนี่คือทั้งปีซึ่งสามารถจะเลี้ยงคนได้ทั้งทวีปเลยคือ900ล้านคนแต่ว่าคนเหล่า er นี้ก็ ไม่ได้รับอาหารที่ควรจะได้ก็ตายลงไปไม่ใช่น้อยทั้งหมดนี่มันยังไม่ได้พูดถึงอาหารที่มันตกล่นกลางทางก่อนจะมาถึงก่อนจะมาถึงร้านนะค่าที่ปลูกนะผลไม้ที่ปลูกตนะามส่วนต่างๆนะที่ไม่ได้เก็บพามาขายนี่ก็เยอะนะเพราะว่ามันไม่มันไม่มันไม่ได้มาตรฐานของพวกร้านค้าปลูกแล้วนี่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 มีตัวเลกนีนะ่าตกใจตัวข้าวนะข้าวข้าวที่ปลูกในเอเชียตะวเนหรือว่าประเทศแถวบ้านเราเนี่ยนะไทยเวียดนามพมา่าลาวเขมนพวกเนี้ยเอเชียตะวันประมาณสี่สถึงปดสเเซนเนี่ยมันตกลงนสูญหายหรือหน่าเสียก่อนที่จะถึงลานค้าคือเก็บมาแล้วก็ เวลาขนไอตอนขนก็ขนไม่หมดนะขนไม่หมดอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นอาหารของสัตว์ไปพวกลกพวกหนูทิ้งไว้ตามทุ่งตามนาไอระหว่างขนก็ตกหล่นเลียนล่าแล้วพอมาเข้ายุ่งเข้าช้างก็เขียนไว้จนเสียเน่าขึ้นลาไอแค่นี้ก็หมดไปแล้วนะ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 ถ้าเราซื้อพอดีนะแล้วก็ทำพอดีกินพอดีมันก็ไม่เกิดปัญหาสูญเสียมากมาแตตอนนี้เนี่ยถ้าเพียงแค่เราเรากินนะอย่างไม่ทิ้งคว้างเนี่ยตากแต่พอกินนะแล้วก็กินจนหมดนี่มันก็ช่วย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 ก็ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นการตอบแทนบุคคลของชีวิตที่ให้อาหารเราอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่เราควรจะทําทเป็นอาจินเวลาก่อนที่จะกินอาหารนี่พรก็จะสวดนะเป็นภาษาบาลีไม่เลวว่าสวดปฏิสังขายโยนะอันนี้ถ้าตาเป็นไทยก็มีความหมายนะเพื่อเตือนใจให้เรากินเนี่ย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 อันนี้เพราะว่ากินอย่างไม่มีสติแล้วเดี๋ยวนี้โทษขงการกินอย่างไม่มีสติมันก็มัน <c oughs> มันไม่ได้แค่ถูกเสียเท่านั้นมันสะสมมากเข้าก็เกิดไขมันปูตันตามเส้นเลือดตั้งเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจงเส้นเลือดสมองสุดท้ายก็ป่วยนะตายก่อนวัยอันควรอันนี้ก็เรียกว่าถ้าไม่มีสติกินด้วยความเพลิดเพิน ไม่มีปัญญาในการกินกินตามใจปากไม่เห็นคุณท่าไม่เห็นโทษของมันมันก็สามารถจะก่อคลเสียแต่ตัวเราได้อันนี้ก็เป็นมีบา ก, กรรมอย่างหนึ่งนะเจ็บป่วยเพราะว่ากินอาหาราไม่มีสติไม่ใช้ปัญญาไม่ต้องไปโทษอดีตชาติกันะไม่ต้องไปโทษกรรมใน ชาติที่แล้วนะว่าทำไมถึงป่วยนะแต่เพราะการกระทำของเราในชาตินี้แหละกินอย่างไม่มีสติกินอย่างไม่ใช้ปัญญาผนะลร้ายก็สามารถจะส่งผลถึงเรานะโดยที่ไม่ต้องรอชาติหน้าอันนี้ก็เพราะนั้ น, นก็เป็นการปฏิบัติธรรมทีนะ่ที่เราควรใส่ใจแล้วก็เตรียมรับพร